<laughs> ¶¶ ก็มาทําในสิ่งสิ่งเดียวกันคือการเจริญสติน่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราก็ได้ธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเรามีสติตัวเดียวเท่านั้นเราก็แก้ปัญหาชีวิตได้สติเนี่ยเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาของชาวอินเดียแต่ถ้าเป็นความรู้สึก คามรู้สึกตัวเนี่ว่ามันเป็นภาษาของชีวิตจิตใจของเรานี่ยเป็นความหมายเดียวกันคือความละลึกได้ทั้งหมดธรรมะทั้งหมดที่เราอยากจะรู้อยากจะทราบก็คือคําคําเดียวก็คือความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ย ห, หน้าที่ของสติมีอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะทราบเอาไว้นะหน้าที่ของสติก็คือ สติเนี่ยมีหน้าที่ขนส่งเหมือนยานพาหนะที่ขนส่งอาวิชชาความรู้ทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดในตัวเราเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาชีวิตมันเป็นความรู้อยู่ในตัวเราแต่ละบุคคลความรู้ทั้งหมดเนี่ยถ้าขาดสติเป็นผู้ที่ขนส่งเอามาใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ลองสังเกต ด, ดูสิเวลามันเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างเช่นสมมุติเราไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยมันเป็นปัญหาแต่บางคนพอเจอไฟไหม้แล้วตกใจทำอะไรไม่ถูกบางคนยกโองทั้งใบนะหนีไฟก็มีเพราะขาดสติบางคนตกใจ พอเวลาไฟไหม้หรืจะคว้าอะไรคว้ารีโมทรีโมททีวีอันเดียวนะวิ่งออกไปนอกบ้านบางคนทำอะไรไม่ได้เลยยืนตัวแข็งตกตะลึงเพราะขาดสติเมื่อแก้ปัญหาอย่างไรถ้าหากว่าเรามีสติเราฝึกสติเอาไว้สติจะมาทันเวลาขณะที่เกิดภัยต่างๆและสมารถเยธินำเอาปัญญา เอาความรู้มาใช้แก้ปัญหาชีวิตในขนาดนั้นได้บางคนใจเป็นทุกข์จิตใจไม่ดีมีความเศร้าหมองมีความผิดหวังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้บางดีถึงกับเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตหรือฆ่าตัวตายไปแล้วก็มีเพราะขาดสติถ้าว่าสติมาทัน ในขณะที่เรากาลังมีความทุกข์มีความบิดหวางอยู่สติจะพาเอาปัญญาความรู้ทั้งหมดที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเอามาแก้ปัญหาจิตใจเราได้ทันท่วงทีเรื่องของการสแสวงหาความสุขถ้าเรามีสติสติก็จะนำเอาปัญญาให้เรารู้จักสแสวงหาความสุขว่าความสุขเนี่ยมันดีสาหรับเราสุขแล้วไม่มีทุกข์ภัย ไม่มีโทษภัยกับตัวเราอีกต่อไปถ้าว่าเรามีสติอยู่เนี่ยสติเนี่ยจะนำมาบัญญามาใช้ทำให้เราแสวงหาความสุขได้ถูกต้องสรุปแล้วสติตัวเดียวเท่านั้นเปรียบเสมือนยานพาหนะขนส่งเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยเอามาใช้แก้ปัญหาชีวิตเราเนี่ยเราจรึงมา ทำให้สติเนี่ยมีขึ้นในตัวเราเยอะๆโดยการอาศัยการขยันเนี่ยขยันสร้างขยันจเจริญขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถไปที่พึ่งให้กับเราได้พูดถึงเรื่องความสุขความสุขที่เราแบ่งแยกเนี่ยมันอยู่สองอย่างคือสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกเราต้องไปแสวงหากับสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเรา ความสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกนั้นเราต้องไปแสวงหาต้องมีเงินต้องรอเวลาเนี่ยอันนี้คือความสุขที่ต้องขนขวายหามาหา เ, าเข้ามานี่คือความสุขภายนอกอย่างเช่นว่าความสุขที่เกิดจากการได้เห็นสิ่งที่เราชอบใจได้ยินเสียงที่ไพเราะได้ดมกลิ่นที่หอ ม, หอม ได้รดอาหารที่อร่อยอร่อยได้สมัสอันนุ่มนวนนี่คือความสุขภายนอกที่ต้องไปแสวงหามาทั้งนั้นแหละเสียเงินด้วยนี่คือความสุขที่เราต้องไปแสวงหามาทุกๆคนก็ทำอย่างนี้ไปแล้วก็ไม่เป็นไรเวราเป็นความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตของเราบางทีก็เป็นความสุขที่เกิดจากการเรื่องของเพศเรื่องของเซ็กซ์อันนี้คือความสุขเสนงของชีวิตคนทุกคนเหมือนกัน แต่ความสุขเหล่านี้ไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวลามันสุขแล้วมันก็หายไปแล้วก็ต้องไปสแสวงหาใหม่แล้วมันก็หายไปต้องไปสแสวงหาใหม่จนตลอดชีวิตเราต้องเสียเวลาเสียเงินกับการสแสวงหาความสุขภายนอกอย่างนี้แลื่อี่ความสุขอีกอย่างหนึ่งก็เป็นความสุขภายนอกที่ต้องสแสวงหาเหมือนกันก็คือความสุขที่เกิดจากความสําเร็จ ในการเรียนหนังสือในการทําหน้าที่การงานอันนี้คือความสุขตัวหนึ่งที่เกิดจากความสําเร็จเมื่อเกิดจากความสําเร็จแบบนั้นมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นเราก็สแสวงหาใหม่เรียนสําเร็จแล้วก็ต้องทํางานให้สําเร็จแล้วทํำสิ่งอีกหลายอย่างเพื่อความสําเร็จจนตลอดชีวิตเราก็ต้องสแสวงหาความสําเร็จอยู่ล่งไปไม่เลือดจบจากสิ้นชีวิตเราจึงเหน็ดเหนื่อยกับกาต้องสแสวงหาเข้ามา เหน็ดเหนื่อยเมื่อหามาแล้วเนี่ยเราก็หว่วงเราก็เป็นห่วงกลัวใครจะแยกออกไปไม่เป็นความสุขที่ไม่กินลังยั่งยีนหรอกถ้าเราต้องเหน็ดเหนื่อยในการใช้ชีวิตของเราเพราะการสแสวงหาเห่านี่สุดท้ายแล้วมันก็สูญเปล่าอย่างเช่นว่าเราสแสวงหาเงินมามากสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตายไม่มีเงิน ยวนอีกตัวไปแม้แต่หนึ่งยวนด้วยซ้ำไปก็ไม่ได้ปฏิเสธนะความสุขวันนี้เราแสวงหามาได้ไม่ได้ปฏิเสธเรามีสิทธิแสวงหาในสิ่งนี้ได้ทุกคนสามารถทำได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยเราแสวงหามันไม่ได้เช่นเราอายุมากแล้วแสวงหาไม่ไหวหรือต้องพิ ก, การอย่างผมเนี่ยเราจะทาอย่างไร แล้วเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยสักวันนึงจะต้องเจอความแก่ทําอะไรไม่ไหวแสวงหาความสุขโหลนี้ไม่ได้เราจะทํำยังไงที่ทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันอับเฉาอย่างเนี้ยเลยทำอย่างไรแต่เราก็มีความสุขอีกอย่างนึงที่ให้เราเลือกนอกเหมือจากความสุขภายนอกและมีความสุขภายในใจิตใจเราตรงนี้แหละเราสามารถเลือกได้ โดยที่ไม่นอกไปเสียเวลาสวยหาจะสิ่งภายนอกเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนประณีตเป็นความสุขที่ทำให้เราสุขภาพจิต ด, ดีสุขภาพกายดีด้วยและเป็นความสุขที่มีคุณค่าสลหรับเราและคนอื่นเราทําประโยชน์ให้คนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยถ้าเราทําตรงนี้ได้เนี่ยความสุขจากการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันเป็นความสุขสี่ก่จากภายในจิตใจของเราจริงๆ อ, อย่างเช่นกุลีถงจัดการปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนอื่นจะมีความรู้มีที่พึ่งทางจิตใจลีถงก็มีความสุขที่ได้ช่วยได้ทำในส่วนนี้แล้วก็มีอาสาสมัครใช่แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเขาก็มีความสุขเมื่อ ว, วานเนี่ยผมก็เจอปัญหาอากาศมันเย็นมาก สำหรับผมเนี่ยอากาศเย็นแบบนี้ผมจะอยู่ลําบากมากแต่ก็มีหลายคนที่ช่วยพยายามช่วยเหลือเราซื้อฮีเตอร์มาให้เราซื้อผงไฟฟ้ามาให้เราช่วยเรื่องทุกอย่างทําให้เรารู้สึกสบายอบอุ่นขึ้นไม่หนาวมผมหายจากทุกเวทนาเหล่านี้แล้วบุคคลที่ช่วยเหลือเราเนี่ยเขาก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเรา อ่างหมอเจ้าเจินเนี่ยตั้งแต่คอที่แล้วแล้วผมมาเนี่ยหมอเจ้าเจินคงรู้ว่าผมอยู่อยู่เมืองไทยมีหมอคอยดูแลรักษาร่างกายเราแต่มาที่นี่มาอยู่ที่เมืองจีนเราไม่มีหมอผู้กัใครก็ไม่รู้เรื่องหมอเจ้าเจินอาสาสมัครมาดูแลตัวเรามาช่วยเหลือตัวเราเราจะหายหรือจะไม่หายสบายหรือไม่สบายแต่หมอเจ้าเจินเนี่ยเขาก็มีความสุขเนี่ยขนาดเด็กๆนะ วันนี้มารับไปรับผมที่สานามบินเด็กๆนะลูกชายของคุณฮ<อ><อ>วงโปพยายามจะไปช่วยเหลือเราเขาก็พ ย, ยายามจะช่วยเราพูดไม่รู้เรื่องแต่เขาพยายามจะดูว่าเราต้องการอะไรเนี่ยเด็กตัวเล็กๆ เ, เด็กมัธยมเนี่ยเนี่ยเขามีน้ําใจแล้วดูเขาอยากช่วยเราหยิบน้ําให้เราแค่แก้วเดียวเนี่ยเขายิ้มแย้มแจ่มใสามากนี่คือความสุขจากการได้ช่วยเหลือเรนเช้าขึ้ น, นที่ห้องผมเนี่ยเดี๋ยวมี คนเอาอาหารมาให้สามคนสัปดาห์นึ่งก็คนที่สี่ก็บอกปละบ้มาให้แต่และคนนี้ก็เข้ามาเนี่ยเขาดูสีหน้าใบตาแล้วเขาเงียบแจ่มายนะเขาทําด้วยใจจริงๆเราเออเขามีความสุขกับการที่ช่วยเหลือคนอื่นเอาอาหารมาให้วางลงเสร็จแล้วก็จะกลับไปกราบอีกสามครั้งแล้วก็กลับไปเวลากลาบ ผมก็มองดูเขาอ๋อเ้าเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน mm hmm. มีคุณธรรมคนที่พยายามกล่าบคนอื่นไหว้คนอื่นเนี่ยมีคุณธรรม mm hmm. เป็นการลดละตัวตนในตัวเขาได้ด้วยเพราะนั้นการกล่าบบ่อยๆเนี่ยมีประโยชน์มากเป็นการลดละตัวตนการกล่าบบ่อยๆถ้ากล่าบอย่างมีสติ mm hmm. มันช่วยทำให้เรามีการเจริญสติไปในตัวในขณะที่กำลังกลาวเขากลาบ เราดูเขาแล้วก็ดูตัวเราตัวเรานี้มีความดีพอที่ใช้เขากราบไหวไหมถ้าเรายัางนี้นไม่ดีพอแล้วพยายามสร้างความดีกับตัว เ, เองเพราะฉะนัพวกเรานักปฏิบัติธรรมเขาจัดข้อให้เราปฏิบตัติแม่ครัวทำกับข้าเราได้ทานผู้ที่อาสาสมัครมาดูแลเราพระคุณเจ้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเราอย่านิ่งนอนใจ ถ้าเราปฏิบัติดีตั้งใจปฏิบัติเนี่ยนอกจากเราจะได้บุญแล้วเนี่ยบุคคลที่ช่วยแล้วเราก็คอยได้บุญไปด้วยแค่ความสุขจากการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแล้วก็มีความสบายใจมีปีติในใจแล้วมีความสุขอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความสุขภายในเหมือนกันซึ่งละเอียดกว่านี้อีกนะคือความสุขจากการที่เรามาฝึกจิตใจเราคือการเจริญสติกนี่แหละเป็นความสุขสูงสุด มันเป็นความสุขที่มารู้จักตัวเราความสุขสูงสุดคือการมารู้จักตัวเราตามความเป็นจริงคือการรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของจิต ด, ด้วยการเจริญสตินี่แหละแม้ว่าเราจะมีความรู้อะไรมากมายก็าตามซึ่งเป็นความรู้้างนอกแต่ถ้ า, าไม่รู้จักตัวเองเนี่ยถือว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ คนมีความทุกข์เพราะไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์คนที่แสวงหาความสุขไม่ได้ยังไม่พบกับความสุขแท้จริงก็เพราะว่าไม่รู้จักเรื่องของกายไม่รู้จักเรื่องของจิตเราต้องมาฝึกเจริญสติให้มากๆฝึกสติมากๆเพื่อจะได้เกิดปัญญามารู้จักตัวเองสักที การฝึกสติเนี่ยที่เราทำมาอยู่เนี่ยยกมือสร้างจังหวะสีจังหวะหลือเดินจงกรมบางคนไม่ชอบไม่ชอบการยกมือดูมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่สวยมันไม่งามมีหลายคนอาจจะไม่ชอบตรงนี้ก็ได้การยกมือสร้างจังหวะการเดินจงกรมเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อุบายอุ ป, ปกรณ์เป็นวิธีการที่จะให้มีสติจะได้กลับมารู้จักตัวเราได้ เมื่ออย่างเราเดินทางมาที่นี่เราเดินทางจากในเมืองมาที่วัดวัดนี้เราไม่ต้องการขนทางเลยเราต้องการมาเพื่อจะมาที่นี่เท่านั้นขนทางไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการการเดินทางมาที่นี่เราต้องขึ้นรถต้องผาง่านต้องมาทางขนทางนี้แต่ทางกับรถเนี่ยเราไม่ต้องการเอาตรงนั้นแต่เป้าหมายคือต้องหมายถึงนี่ แต่ก็อาศัยพนทางกับรถเราเรียนหนังสือเราไปโรงเรียนจากครูที่สอนเราเราไม่ต้องการโรงเรียนและไม่ต้องการครูแต่ต้องการความรู้ครูกับโรงเรียนเป็นเครื่องอาศัยเพื่อให้เราได้มีความรู้ความรู้ต่างหาที่เราต้องการการจระตือใก็เช่นเดียวกันการยกมือเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ต้องการเพื่อจิตเรามีสติให้มีความรู้ตัว การเดินจงกรมเนี่ยพวกเนี้ยเพื่อเรามีความรู <h <h <h ้สึกตัวแต่ต้องอาศัยสิ่งหน่งนี่แหละมันจึงจะเจริญได้เพราะนั้นเราอย่าอยู่นิ่งๆอาศัยเคลื่อนไหวเพ้าไว้ขยับมือให้รู้สึกตัวการเดินไปที่ห้องอาหารให้เราเดินด้วยความรู้สึกตัวอย่าเดินปี๊ปีเติมความรู้สึกไปด้วยการทานข้าวก็รู้สึกตัวที่จริงแล้ว การล้างชามพวนี้ก็ช่วยให้เรามีสติได้เหมือนกันในแต่ละวันเนี่ยเราอยากเคลื่อนไหวฟรีๆเพรากว่าถ้่เรามีการเคลื่อนไหวการเดินจงกรมก็ดีการยกมือก็ดีการดื่มน้ำการเคี้ยวอาหารอยากเคลื่อนไหวฟรีๆให้เติมความรู้สึกตัวไปด้วย <c oughs> เราจะรู้จักตัวเราเองอย่าทิดฟรีๆอย่าทุกข์ฟรีๆ อย่ากรธฟรีๆทุกกางที่มีความคิดความทุกข์ความโกรธให้เราเติมความรู้สึกไปการกระทำเหล่านี้ทำให้เรามีความเข้าใจตัวเองมากยิ่ ง, งขึ้นเข้าใจกายเข้าใจจิตเข้าใจความสึกของเราคำตอบต่างๆที่เกิดจากความสงสัยในชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะมีคำตอบให้เราได้เข้าใจก็ได้ผมจะเล่าเรื่อง ชีวิตผมชัดสั้นๆคือผมเนี่ยโชคร้ายที่มีร่างกายพิการเชื้อตัวเองไม่ได้แต่ผมก็โชคดีที่ได้มีโอกาสมารู้จักกับธรรมะธรรมะเนี่ยสอนให้เราได้แก้ปัญหาชีวิตที่ต้นเหตุของปัญหาธรรมะสอนให้เรารู้จักแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ธรรมะบอกวิธีทางแก้ปัญหาให้กับตัวเราด้วยเมื่อ ก, กี้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุและบอกวิธีการแก้ปัญหาด้วยเพียงแค่เรามีสติเท่านั้นเราจะรู้จักคิดที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้ผมไม่ได้ยกมือแบบจะดีทายกมือไม่ได้ยังมาก่อนยกไม่ไหวการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันมีน้อยมาก ก็ใส่การนอนพลิกมือเนี่ยพลิกมือหงายให้รู้พลิกมือคว่ำให้รู้พลิกมือหงายให้รู้มือคว่ำให้รู้ได้แค่สองรู้เท่านั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยยกได้เต่าสิบสี่รู้นะะยิ่งเดินจงกรมได้อีกหลายรู้ผมเดินยงกมก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไหวอิเลียบท ม, มีน้อย ก็นอนพลิกมือเนี่ยวันละหกถึงเจ็ดชั่วโมงบางทีทําไปมันก็เมือ่อยแต่เมื่อยก็ทําไปบางทีมันเบือ่อเบื่อก็ทําไปบางทีขี้เกียจขี้เกียจก็ทําไปเพราะเราไม่จะทําอะไรอดทนทําไปทําจนกระทั่งมือสองข้างในเวลานอนเนี่ยมันปวดมากไม่รู้จะมือไว้ที่ไหนที่นอนตั้งมือแล้วก็หลับไปก็นี มีตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยมันปวดเมื่อยหมดทั้งมือทั้งแขนฮรับทีเราก็นอนกับพิพตาเล่นแล้วก็รู้สึกรู้สึ ก, ก, ก, กรู้สึกตัวกับการยักคิ้วก็ได้มันเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ที่นอนกับดิกอูเล่นปุ๊ บ, บ, บการเจอจิตเนี่ยหรือเตียนเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนไหวได้เราก็เติมสติได้หมดทั้งนั้น ให้สติมันอยู่กับเนื้อกับตัวเไม่ให้จิตใจเราไปคิด <Okay. S 1> ให้มารู้สึกตัวของเราเนยถึงเวลาคิดเราก็คิดแต่คิดด้วยสติแต่ก่อนจะคิดด้วยสติเราต้องฝึกสติให้มากๆก่อนแล้วการคิดด้วยสติเราจะคิดได้ดีมากในแต่ละวันเนียเรานอนฝึกสติอย่างนี้แหละมันทําให้เรามีอะไรทําอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาชีวิตไม่เหงาไม่เบื่อนอนหลับสบายเลย ยิ่งทำไปเรายิ่งรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นสติภาวปัญญามาแก้ปัญหาตัวเราเองได้ด้วยตัวของเราเองมันก็เลยเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการเจริญสตินี่แหละ mm hmm. จะไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวไปอะไรก็ไปไม่ได้แต่เรามีความสุขที่เกิดจากภายในจิตใจเรา จะเป็นความสุขที่เรารู้จักตัวเราเองและก็เข้าใจคนอื่นรู้จักคนอื่นด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนอื่นให้แง่คิดให้กำลังใจให้วิธีการปฏิบททัติธรรมวิธี่เหลือเลยเป็นวิธีมีความสุขเป็นกำไรชีวิตาการเจริญสตินมีประโยชน์มากนะที่นี่ก็มีนักเรียน นักเรียนจะเรียนเก่งได้นั้นเนี่ยจะต้องมีสติเวลาฟังครูสอนใจจะได้ไม่เลี่นลอยไปถ้ามีสติแล้วเราจะจาบทเรียนเหล่านั้นได้แล้วก็ทำให้เรา self, รู้จักใจของเรารู้เท่าทันอีกใจเราแล้วก็เอาชนะใจเราได้ <an> AZ เมื่อไม่นานมานี้ <iot> มีชาวจีน <zus> ไปหาผมที่กรุงเทพ หลายคนเพื่อไปฝึกสติเนี่ยอยู่กับผมที่ที่กรุงเทพ น, นั่นแหละเนี่ยในที่นี้ก็มีสี่ห้าคนกว่าจำได้ที่ไปฝึกสติกับผมมีคนคนหนึ่งเขาปฏิบัติได้ดีมากนะเขาไปฝึกอยู่กับผมทั้งสองสามวันเขาก็บอกว่าอยากจะไปช็อปปิง้งก็ให้เขาไปปกติเวลาเราช็อปปิ้งเนี่ย เรเจออะไรแล้วก็อยากซื้อเจออะไรก็อยากซื้อบางทีซื้อมาแล้วที่บ้านเราก็มีเยอะเราก็อยากซื้อเนี่ยบางทีก็เสียดายเงินแต่ก็ต้องซื้อเพราะด้วยความอยากที่เกิดขึ้นในจิตใจแต่คนนี้เขากลับมาเขาไปช้อปปิ้งแล้วกลับมาคุณถามว่าได้อะไรมาบ้างบอกไม่ได้อะไรเลยสักอย่างบอกไปช้อปปิ้งทําไมไม่ซื้ออะไรกลับมาเลยเขาบอกว่า พอจะซื้อปั๊มมันเห็นความอยาก<ม>เห็นความอยาก<ม>ได้จิตใจพอสติเห็นปั๊บความอยากมันก็หายไป<ม>ทุกครั้งที่อยากจะได้เกิดความอยากพอจะซื้ อ, อเห็นความอยากเสร็จแล้วความอยากก็หายไป<ม>เขาเลยกลับมาโดยที่ไม่ได้อะไรสักอยาก่าง ม, มีสติแล้วก็ไม่เสียสตางานะเขารู้ทันใจตัวเองทําให้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้ น, เ, นเป็นการปฏิบัติที่พัฒนามาก เนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติที่นี่แต่ว่ามาหาที่พึ่งทางด้านจิตใจคือการเจริญสตินี่แหละเพราะว่าเราจะรู้ไหมว่าต่อไปเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบางทีเราก็ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่เฝ้าบ้านม่ต้องจะใคยได้ป่วยนอนอยู่บนเตียงก็งให้น้าเกลือไปไหนไม่ได้เราจะทำอย่างไรถึงเวลานั้น เล่นอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ได้ชีวิตเราจะเหงามากจะเป็นคนที่น่าสงสารถ้าเรามีสติเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตเราจะไม่เหงาเราจะแก้ปัญหาตัวเองได้ในขณะที่เราไปไหนไม่ได้เลยต่อไปเวลาที่เราอยู่บ้านอายุมากแล้วหรือป่วยไข้เนี่ยไม่มีใครมาหาเราเลยเราจะเหงานะถ้าเราไม่มีสติเป็นเครื่องอยู่ ถ้าเราึกสติเอาไว้ให้เกิดความชำนาญให้มีสติเป็นเครื่องดูในการใช้ชีวิตเราจะไม่เหงาอยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเนี่ยเราฝึกมาหลายวันแล้วเราต้องฝึกให้ต่อไปเรื่อยๆวันนี้เราตั้งใจทาอีกสักครั้งหนึ่งตั้งใจทาแต่ต้องไม่คาดหวังในผลทำเหตุแต่ไม่คาดหวังในผลเราจะพบการเปลี่ยนแปลงนจิตใจเราก็ได้ เปลี่ยนแปลงไปในทางดีนะก็ขอให้พบกับความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการนะครับ